อย่างบทสนทนาที่อาจเกิดขึ้นจริงจัดทำโดยวันนิสาเมเดลหลังจากรู้ดีพอสมควรแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมมากไปกว่าตั้งใจดีและพูดให้ดีเท่านั้นแม้จะเตรียมคำพูดไว้มากมายแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีการเริ่มต้นเพื่อเข้าจุด ก็จะไม่เกิดการพูดคุยเพื่อถอดถอนความยึดติดกับทั้งไม่มีการยกระดับจิตของผู้ป่วยให้สูงขึ้นเรื่อยๆตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ทุกอย่างจะง่ายถ้าผู้ป่วยมีศรัทธาในพุทธศาสนาตลอดจนเป็นผู้มีน้ำใจให้ทานรักษาศีลจ น, จนจิตสะอาดมาทั้งชีวิตกรณีเช่นนั้นแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ เพลเพลผู้ป่วยอาจต้องมีหน้าที่ปลอบคนที่รักและอาลัยตนให้รู้จักปล่อยวางเสียอีกแต่เรื่องจะยากก็เมื่อผู้ป่วยขาดศรัทธาทั้งชีวิตไม่ค่อยมีน้ำใจช่วยเหลือใครเลยอีกทั้งรักษาศีลไม่เป็นทองไม่ถูกว่ามีบาประการอันใดควรงดเว้นบ้างคุณจึงอาจจะอึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบจะเริ่มต้นประยุกตวิธีส่งผู้ป่วยของพระพุทธเจ้า หรือพระสาริบุตรอย่างไรดีต่อไปนี้จะเป็นวิธีค่อยๆพูดเข้าจุดโดยคํานึงถึงความเป็นจริงที่ว่าผู้ป่วยแต่ละคนมีพื้นนิสัยแตกต่างกันมีศรัทธาและอาคติแตกต่างกันตลอดจนมีความสามารถในกา ร, รเผชิญหน้าความจริงแตกต่างกันเมื่อดูตัวอย่างไว้แล้วก็อาจเห็นช่องทางว่าจะนาไปประยุกต์กับกรณีที่คุณต้องเผชิญอย่างไร ผู้ป่วยมีศรัทธาทางพุทธตั้งมั่นแล้วผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและคําสอนของท่านหมายถึงผู้ที่พร้อมจะยอมรับนาทีมรณารวมทั้งมีแนวโน้มจะสะสมบุญมามากจนเชื่อมั่นในความสว่างเป็นปกติของตนอยู่แล้วฉะนั้นก็เข้าจุดคุยกันเพื่อให้ปล่อยวางได้เลยโดยไม่ต้องชักไม่น้ำทั้งห้าเช่น วันนี้ยังติดห่วงยังติดกังวลอะไรอยู่ไหมเขาอาจตอบว่าถามแบบนี้ทุกวันเลยนะพระพุทธเจ้าท่านให้ถามบ่อยๆไงมันเหมือนการเตือนให้สำรวจนะว่าใจเราเบาพร้อมขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ละวันจิตคนเราไม่เท่ากันเดี๋ยวก็โง่เดี๋ยวก็ฉลาดการช่วยกันเตือนบ่อยๆก็เป็นนโยบายที่ดีไม่ใช่หรอถ้าเป็นฉันฉันก็อยากให้นายเตือนอย่างนี้ทุกวันเหมือนกัน อืมเงนสรภาพก็แล้วกันตอนตื่นเช้ามันเนี่ยรู้สึกอดเป็นห่วงเยนหนูมันไม่ได้เมื่อวานก่อนมันกลับออกไปเนี่ยเห็นแอบทําตาแดงๆรู้หรอกนะว่ามันพยายามฝืนไม่อยากร้องไห้ให้ฉันเห็นแต่ก็นั่นแหละฉันรับความสะเทือนจากตรงนั้นมาแล้วก็เลยพลอยทําให้เศร้าอยากร้องไห้ตามพอตื่นเช้ามาคิดคิดขึ้นมาว่า เยนูเนี่ยอายุ29ปีนี้แล้วยังไม่เป็นฝั่งเป็นฟ้าเสียทีแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามันมีคนดูแลที่น่าไว้ใจหรือเปล่าเอาขึาานาทนายขึ้นไปอยู่บนโน้นจริงก็ต้องชำระเงินลงมาดูได้ตลอดเวลาแหละแล้วลถ้าเยนูมันจะเลือกคนผิดหรือทําท่าทานจะโดนใครหลอกนายก็ดนใจหรือมาเข้าฝันมันสิอยู่อย่างนี้เสียอีกโดนใครหลอกที่ไหนเมื่อไหร่หนายไม่มีสิทธิ์รู้เลยถ้าห่วงเยนูจริงเนี่ย ก็ควรดีใจนะที่จะได้ไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองลูกมากกว่านะ่ะเออก็จริงนายแค่ตั้งใจไว้นิดเดียวก็พอว่าขึ้นไปแล้วจะไม่ทอดทิ้งเยหนูจะมองลงมาเรื่อยๆแต่ท่านนายยังห่วงยังอะไรไม่เลิกจิตมันก็ผูกอยู่กับโลกเหมือนมีสมอทวงติดพื้นไม่ให้ลอยขึ้นไปไหนได้แล้วจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาลูกได้ยังไงขอบใจที่เตือนนะเพื่อน วันต่อมาคุณอาจสังเกตอาการยึดติดอื่นๆเพิ่มเติมเช่นถ้าเห็นผู้ป่วยกำลังชมรายการโทรทัศน์ที่โปรดปรานก็อาจถามว่าเป็นไงยังเจ็ดจดใจจ่อรอละครเรื่องนี้ทุกวันหรือเปล่าอืมก็จดจ่ออยู่นะเคยชินที่จะรอของมันชอบเนี่แล้วจะเสียดายไหมถ้าต้องไปสียก่อนจะจบเสียดายสิเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะ ความบันเทิงของมนุษย์มันเทียบกันไม่ได้กับข้างบนโน้นท่านว่าแม้แต่สวรรค์ชั้นต่ําสุดอย่างจากตูมหาราชก็น่าติดใจกว่าเป็นไหนไหนแล้วบนโน้นเนี่ยทุกอย่างเป็นทิพย์ไม่หยาบไม่มาเร็วไปเร็วเหมือนไฟไม่ฟังเหมือนอย่างนี้สนุกกว่ายังไงละ่ะมีละครเหมือนอย่างนี้ยหรือเปล่าก็มีการแสดงฟ้อนรําแน่ๆละ่ะพระไตยปิฎกกล่าวถึงไว้ยเยอะเหลือเกินแต่ฉันว่ามันต้องอลังการกว่าที่คิดคิดหรือจินตนาการกัน เอาเป็นว่าเฉพาะเรื่องฟ้อนรำเนี่ยคอนเสิร์ตในโลกจะคึกคักแค่ไหนก็คงจะสู้ไม่ได้แน่มาถ้าทางรู้ดีเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสินายนั่นแหละจะต้องกลับมาเล่าให้ฉันฟังมาทำสัญญากันนะนายจะมาเข้าฝันบอกว่าบนโน้นเป็นยังไงบ้างวันต่อมา ก็อาจสังเกตว่ามีทางช่วยให้ผู้ป่วยพอใจภาวะที่ประณีตขึ้นได้ไหมเช่นถ้าเห็นผู้ป่วยกำลังอ่านหนังสือธรรมะหน้าตาผ่อนคลายเหมือนคนปล่อยวางทุกอย่างได้ก็อาจถามว่าเป็นไงชักเริ่มใจจดใจจ่ออยากขอไปดูข้างบนว่าผลของบุญที่นายสั่งสมมาเนี่ยมันซักแค่ไหนแล้วหรือยังก็ยากนะเมื่อช้าก็นึกครึงคลบรรยากาศย่งกับตอน ก, กาลังจะได้เดินทางไปเทีย่ยวยุโรป ค, ครั้งแรกนะ อ๋อตอนนั้นไปฮันนิมูลใช่ไหมใช่ฉันอยากไปเมืองนอกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เก็บหอมรอมริบอยู่นานกว่าจะได้โอกาสไปเที่ยวจริงก็ดีใจนันเนี่ยที่ครั้งแรกคือการทำให้เมีย ม, มีความสุขไปด้วยเก็บเงินไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีของมนุษย์แต่จะไปสวรรค์มันต้องอาศัยวันเดือนปีทั้งหมดที่มีอยู่ตอนเป็นมนุษย์เพื่อสะสมให้พอน่ะมันยากกว่ากันเยอะนันเนี่ยนั่นน่ะสิ ก็คิดคิดขึ้นมาอีกว่าไม่รู้จะต้องเหนื่อยเก็บเงินพอจะลืมตาอ้าปากแบบเดียวกับชาติเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกสักกี่หนยิ่งต้องกัดฟันต่อสู้กับกิเลสรักษาศีลให้ครบเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่รู้รอบไหนจะพลาดบ้างจริงๆชาติเนี้ยฉันก็ผิดศีลมาไม่น้อยเหมือนกันเคยวู้วามกระแทกหน้าคนมีวูมหนึ่งคิดอยากฆ่าเกือบลงมือแล้วด้วย เนี่ยยังนึกดีใจยอยู่ว่าคล้าวคลาดจากบาปในการฆ่ามนุษย์มาได้ก็เวียนไหวาตายเกิดไปเรื่อยๆมันก็อย่างเนี้ยแหละพระพุทธเจ้าถึงบอกไงถ้าคิดท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเรื่อยแล้วหวังจะไม่ไปอบายเลยนะ่ะคิดผิดถนัดเพราะไม่มีทางท่านว่ายังไงก็ให้ตั้งเข็มไปนิพพานไปถึงที่สุดของการเวียนไหวาตายเกิดเอาไว้จะถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึ่งก็ยากะนะ มาคิดได้เอาป่าเนี้ยก็คงช้าไปละไม่ช้าหรอกอย่างลูกศิษย์พระสารีบุตรไงวันวันเอาแต่ทำธุระวุ่นวายยุ่งเรื่องอาชีพการงานยุ่งเรื่องลูกเมียยุ่งเรื่องไหว้เจ้าไม่ต่างจากเราเรายุคนี้สักเท่าไหร่หรอกถึงอย่างนั้นน่ะตอนจะตายพระสารีบุตรยังส่งให้ไปพรหมโลกได้เลยแค่สอนแผ่เมตตาเจริญพรหมวิหารสี่ก่อนตายไม่นานเองเอ้าวเหรอไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้เลย แค่บอกวิธีกำหนดจิตก่อนตายก็มีสิทธิ์ได้ไปถึงพรหมโลกเลยเหรอไม่ใช่แค่นั้นน่ะสิพอพระพุทธเจ้าทราบเรื่องด้วยพระยานขององค์ท่านนะ่ะตรัสเหมือนตำหนิเลยว่าสารีบุตรทำไมเธอไม่ส่งให้ธนัญชาีิพรามขึ้นสูงไปกว่านั้นตรัสอย่างเนี้ยเหมือนจะเป็นนัยยะว่าจะให้บรรลุมากผลก็ยังได้จริงเหรอจริงๆก็ฟังมานะว่าจิตก่อนตายสาคัญมาก ถ้าหากทำให้หนักแน่นไปในทางกุศลเนี่ยดำเนินจิตถูกหลักเจริญสติของพระพุทธเจ้าไม่กี่นาทีก็ถึงฌานเรากับปฏิบัติมานานลหลายปีเออก็น่าสนใจนะสำหรับนายนะ่ะยังไงก็ต้องได้ใช้เร็วๆนี้แหละ ร, รีบสนใจให้มากกว่าเรื่องอื่นได้ก็ดีแล้วต้องทำไงมั่งอะ่ะไอ้ชั้นมันก็นิสัยเสียฟังมาเยอะแต่ไม่เคยใส่ใจทาความเข้าใจ โดยคิดลงมือปฏิบัติจริงจังสัทีเท่าที่ได้ยินนะเขาว่าสำหรับคนที่รีบมาฝึกเอาตอนเหลือเวลาน้อยก็ให้คิดๆ ด, ดูๆไปเล่นๆทั้งที่กำลังนอนตัวแฟบอย่างนายนี่แหละเห็นว่าร่างกายมันกำลังจะไม่ต่างจากท่อนฟื้นที่เขาทิ้งไว้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากเผาหายใจเข้าหายใจออกก็ให้คิดว่าเป็นแค่เครื่องต่ออายุชั่วคราวร่างกายมันยังไม่เป็นศพ ก็เพราะลมเข้าลมออกนี่แหละพูดจะเห็นภาพเลยแหนธรรมิชันรู้สึกว่าตัวเองเป็นศพไปแล้วเนี่ยก็ให้คิดไปเลยไม่ต้องกลัวเลยเพื่อนเดี๋ยวได้ไปแน่ๆขอบใจที่ยามให้นะแต่จะให้ดูแค่เนี้เหรอท่านนายรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเล่นๆว่าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกไม่ใช่ลมชุดเดิมจนกระทั่งรู้สึกขึ้นมาจริงๆโดยไม่ต้องแกล้งรู้สึก ก็ดูต่อไปว่าที่อึดอัดทุกทรมานบ้างปลอดโปรงพอให้สบายบ้างมันเป็นเรื่องของสุขทุกข์กที่เข้ามาแล้วออกไปไม่ต่างจากลมหายใจเลยแต่ทุกเนี่ยมันนานกว่าลมหายใจเยอะนะโดยเฉพาะตอนที่ร่างกายเหมือนเป็นก้อนอะไรหนัหนกๆตันๆหรือเหมือนมันเป็นม้าพยศที่ราวกับไม่เคยให้ชั้นเป็นเจ้าของมาก่อนเลยตอนมันพยศนั่นแหละดูได้ถนัดนักว่ามันไม่ใช่ของนายจริงๆ พอจิตมันไม่ยึดว่าเป็นของนายก็จะรู้สึกว่าตัวนายไม่มีมีแต่จิตแล้วพอสังเกตละเอียดขึ้นอีกเห็นว่าจิตมันฟุ้งบ้างสงบบ้างสว่างบ้างมืดบ้างในที่สุดก็จะเกิดการเห็นขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังว่าตัวนายไม่มีในที่ไหนๆนั่นแหละภาวะใกล้พ้นไปจากอุปาทานแม่พูดสเราเบายังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนี่นายบรรลุแล้วหรือเปล่าเนี่ย ยังหลอกเพื่อนยังนานนั่นแหละมีสิทธิ์ได้ก่อนคนบอกเนะี่ยจำเข้ามาได้แต่คนทำเนี่ยถ้าทำก่อนตายก็มีสิทธิ์ได้ก่อนคนบอกอีกนะจิตตอนเนี้ยกับจิตก่อนตายมันต่างกันมากขอให้ซ้อมไว้บ่อยๆเถอะถึงจุดที่จะรวบรวมผลงานปรากฏการทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นเองโดยบังคับควบคุมเอาเดี๋ยวนั้นไม่ได้ราจทันไมเนี่ย ธนัญชาตินิพรามนะ่ะได้ไปพรหมโลกเพราะแผ่เมตตาก่อนตายไม่กี่ชั่วโมงเองนะเนี่นายเหลืออยู่ชัดๆเป็นเดือนมัน้งโอเคผัดวันประกันพรุ่งมาทั้งชีวิตละอ้างมาทั้งชีวิตแล้วว่าจําเป็นต้องทําโน่นนี่นั่นจนไม่มีเวลาเหลือให้ฝึกเจริญสติคราวเนี้ยไม่มีข้ออ้างที่สําคัญกว่าเตรียมไปดีไปให้ถึงที่สุดทุกข์อีกแล้วละ